การปฏิบัติเนี่ยนะพอเรารู้วิธีแล้วเนี่ยทีนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนเหมือนกับเรารู้ทางแล้วจุดหมายปลายทางก็รู้แล้วทีนี้การเดินทางของเราทำยังไงมันจะถึงจุดหมายปลายทางนี่มันเป็นหน้าที่ของเรานาทีนี้หน้าที่ของเราก็คือว่าเพียรเพื่อจะเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางมันไม่ใช่อย่างอื่นแล้วการปฏิบัติ เออเราก็เข้าใจละ ว, วิธีของพระพุทธเจ้ากี่พระสูตรกี่พระสูตรสอนใครใครก็ลงมาที่สติสติเพื่อให้จิตเป็นสมาธิก่อนอยู่พอจิตอยู่แล้วก็เพียรให้จิตตื่นเพื่อให้จิตตั้งมัน่นให้มีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นแล้วก็เพียรต่อไปเพื่อให้ปัญญามันแก่กล้าปัญญามัน มันแก่กล้าขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ เ, เพียนเพื่อให้อายามักสมบูรณ์เพื่อให้ปัญญามันอบรมจิตเพื่อให้จิตเนี่ยมันสลัดออกมันปล่อยวางได้ทางมันก็จะเหมือนเหมือนกันบางทีพระพุทธเจ้าก็สอนท่านเริ่มด้วยทุก็มีนะบางคนทุกทุกทําให้เกิดศรัทธาแน่บางพระสูตรนี้นะทุกเนี่ยพกคนมีทุกมากๆอยา่างอยากพึ่งธรรมะ อยากดับทุกข์แสวงหาธรรมะเข้าวัดไปศึกษาพัฏฐีปิดกหรือฟังธรรมะหรือว่าหาที่ประพฤติปฏิบัติพอมีศรัทธาแล้วก็จะมีปราโมดผู้เจ้าลำดับเอาไว้นะปลาโมดนี่มันเกิดความอีกความเบิกบานรื่นเริงบันเทิงคนเราเนี่ยพอมีศรัทธาใจมันมันเบิกบานรื่นเริงบันเทิง อย่างคนระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเนี่ยใจมันก็เบิก บ, บาน่ะเหมือนเขาว่าตัวเองมีมที่พึ่งมีหลักอ ย, อยู่ในจิตใจมีหลักจิตหลักใจพอสมควรตาาโมดแล้วก็ทำให้เกิดปีติอินมใจอินมกายอินมใจขึ้นมาอินมใจแล้วมันก็ทาให้อินมกายด้วยถึงมันมีผลต่อล่างกาย มันซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีมันก็ขนลุกขนชันเนี่ยบางทีก็มีกระตุกโยกเยกอะไรก็มีอำนาจของปีติมีหลายอย่างตัวลอยตัวเบาปีติทำให้เกิดปัสสถิปัสสถินี่มันก็ทำให้เกิดความสงบความสงบนี้คืออาการที่มันเบากายเบาใจโล่งโปรง่งเบาสบาย แล้วมันผ่อนคลายมันไม่เครียดสงบกายสงบใจทําให้มีความสุขสุขนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจมันมีความสุขอยู่ภายในความสุขก็ทําให้เป็นสมาธินันสมาธิอันนี้ก็คือว่าเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิทําให้เกิดภูตะญาทัศนะ เ, เกิดการเห็นเห็นยานเนี่ยหมายถึงว่าการเห็นด้วยจิตปัญญายานวิปาาัสนาญาณภูตายานทนะัศนคือการเห็นด้วยจิตจิตเข้าไปเห็นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่เดาเอาไม่ใช่คาดคะเนเอาแต่จิตเห็นด้วยจิตเนี่ยเห็นแล้วก็รู้ขึ้นมามันไม่ใช่ของเรา พอมีภูตายานทัศนะขึ้นมาก็เกิดมิพพิธาเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากยึดมั่นถือมั่นละเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดวิราคะแล้วก็วิมุติทําให้จิตนี้หลุดพ้นแล้วก็มีวิมุตติยานทัศน์มียานรู้ว่าตัวเองหลุดพ้นแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงรายละเอียดก็จะเหมือนกัน ก็คือปฏิบัติเจริญสติเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ที่ความเพียรพยายามของเราจุดหมายปลายทางรู้แล้วทีนี้เราก็มาเพียรมาพยายามหรือว่าทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ไปถึงเป้าหมายคือดับทุกข์ให้แก่ตัวเราเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนจากพระไตรที่หมดทุก ไม่มีทุกข์แล้วดับทุกข์ให้แกตัวเองแล้วคนที่ไม่มีทุกข์เนี่ยเวลามาสอนเนี่ยในเมื่อพบสิ่งที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรเทียบได้แล้วไม่อยากสอนอย่างอื่นหรอกคือก็ต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แต่ทีนี้การปฏิบัติเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไป แต่เวลาปฏิบัติเนี่ยมันก็ระวังอย่างหนึ่งคือความอยากเนี่ยเมื่อวันก่อนมัมีคนโทรมานะเขาบอกว่ามันอยากรู้ธรรมะมันก็เป็นทุกข์ในจิตใจเขาว่างเงินนะมันเป็นทุกข์ในจิตใจเพราะมันเพ่งออกไปว่าความอยากรู้อยากมีปัญญาอยากรู้ธรรมะอยากเห็นธรรมะอมพอมันทุกข์จิตมันก็เลยพี่กลับมาดูตัวทุกข์อ่ะ ตัวที่อยากที่มันกําลังกระสับกระสายเห็นมันดับไปเขาว่าเห็นมันดับไปเนี่ยปั๊บโอมันบอกไม่ถูกเลยมันเบาไปหมดเลยเขาบอกบรรยายไม่ถูกแต่รู้ว่าเบาเขาก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณท่านอาจารย์เขาว่างั้นนะที่สอนเขาทําให้เขาเห็นความเกิดดับทําให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เราก็เคยบอกว่าเนี่ย ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือการปฏิบัติให้ธรรมย่อยคล้อยสู่ธรรมใหญ่หมายถึงว่าเห็นว่าทุกข์มันดับไปเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันดับไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันสอดคล้องกับความจริงสูงสุดคือพานิพานคือการที่มันเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือมันไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะหลุดพ้นมันจะไปถึงพานิพานได้ เนี่ยถ้าว่าเห็นว่าเออมันเกิดดับไปอย่างเงี้ยมันสอดคล้องกับพันิพานอันนี้มันเป็นมันเป็นในความดับชั่วคราวแต่ว่ามันถูกต้องแล้วมันถูกทางเขาก็คงอยากจะเล่าให้ฟังอปฏิบัติแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะเล่าให้ฟังเขาเล่าด้วยความดีอกดีใจว่าเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้ว แต่ก่อนไอความอยากรู้ธรรมะอยากเห็นธรรมะอังคูมันดิ้นหลนในจิตเขาว่าอย่างนั้นนะมันก็เลยทุกมากสงสัยมากเวลาเจอหน้านี่โอ้ยคําถามเยอะเลยนะตอบแล้วเขาเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วเสร็จแล้วก็เล่าความฝันด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าคืนหนึงเขาหลับไป เขาเหมือนกับอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในที่นั้นลมกัรโชครุนแรงมากพร้อมกับมีสภาวะเหมือนกับบีบคั้นในร่างกายของเขาจิตของเขาก็เลยท่องพุโทโธขึ้นมาเองเขาว่าอย่างนั้นนะจากนั้นจิตมันก็เหมือนกับมันพูดถึงพระองค์หนึ่งขึ้นมาพูดชื่อพระขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาแล้วมันยังคิดถึงไอความฝันอยู่เขาวะแล้วก็พยายามทบทวนว่าพระองค์นี้มีจริงไหมชื่อนี้อยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยคณคิดอน่ยเที่ยวโทรไปถามคนนั้นเดี่ยวโทรไปถามคนนี้ก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าในการปฏิบัติธรรมีเรื่องของความฝันเนี่ยเราไม่เอามาคิดให้เสียเวลาเพราะมันเป็นแค่ความฝัน แต่มันพอที่จะบอกให้รู้ว่าสภาวะจิตของคนฝันเป็นยังไงสภาวะจิตของเขาเนี่ยก็คือว่าเวลาคับขันเวลาจวนตัวขึ้นมามันท่องพุโทโธได้มันสามารถรักษาจิตเอาไว้ได้แต่ว่าพวกมารเนี่ยมันไม่ถอยง่ายๆพอตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ยัดเยียดไอสัญญาอันนี้เข้าไป เพื่อให้คุ้นคิดเพื่อให้ยึดติดในอารมณ์ต่างๆไม่ให้ปล่อยวางถ้าหากว่าเราเนี่ยไปเสียเวลาไปคุ้นคิดไปทบทวนความฝันเนี่ยหลงกลทันทีเลยวันหลังมันจะฝันอีกฝันตื่นขึ้นมามันก็จะทบทวนมันจะคิดใ้เรื่องเก่าๆซ้ำๆแล้วก็จะฝันอันนี้แหละต่อไปอีกทั้งคืนนี่ไม่ได้ต้องรีบเปลี่ยนอารมณ์ ถ้าว่ามันฝันแบบนี้ต้องรีบเอาธรรมะมาฟังหลับอยู่ตื่นขึ้นมาก็ต้องฟังธรรมะอะไรให้จิตเราเนี่ยไปอยู่กับธรรมะซะก่อนล้างออกไปซะก่อนหรือไปเดินจงกรมอะไรหรือนั่งสมาธิให้มันคลายออกซะก่อนส่วนใหญ่จะใช้ธรรมะนี่จะดีเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันป้อนข้อมูลเข้าไปแนละ้วเนี่ยการปฏิบัตินี่มันก็มีอะไรที่มันแทรกซ้อนอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะสังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้เท่านั้นเอง ก็เลยอธิบายให้ก็าฟังว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจรู้ว่าปฏิบัติตรงทางแล้วผลของการปฏิบัติก็มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาจิตก็เริ่มเห็นความจริงเริ่มปล่อยวางตามความเป็นจริงก็แสดงว่ามันตรงทางกับของพระพุทธเจ้าแน่ๆอีกจะใครมีมรรคมีผลขึ้นมาเนี่ย สภาวธรรมมันก็บอกเองอ่ะพูดอามาไม่กี่ประโยคมันก็รายงานเลยว่ า, าจิตขนาดนี้มันอยู่ระดับไหนมันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อที่จะปล่อยวางอุปาทานละอุปาทานละความยึดมันถึงมัน่นหรือกรุยาการภายนอกการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยมันก็มีความมันมีความรัดกุม คือในจิตเนี่ยมันมีระบบพอเราปฏิบัติไปจิตมันจะเป็นระบบขึ้นมาคิดก็เป็นระบบเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีระบบของความคิดมันก็คิดต่อเนื่องนะไม่สเปสส ป, ปะเพราะฉะนั้นทำอะไรมันก็รอบขอบขึ้นมาการงานภายนอกมันก็เรียบร้อยก็มีเหมือนกันหลงลืมบ้างผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาเรื่องภายนอก แต่ว่ามันละเอียดกว่ามันเรียบร้อยกว่ามันรัดกุมกว่าโดยเฉพาะภายในจิตเนี่ยเพราะมันต้องใช้จิตในการพิจารณาในการทําความเข้าใจในการที่จะอบรมจิตสอนจิตเพอปฏิบัติไปมันเป็นเรื่องของจิตกับจิตนะเหมือนกับว่าจิตนี่มาสอนจิต ไอจิตที่มันโง่มันหลงมันไม่รู้เรื่องก็เลยต้องใช้จิตที่ฉลาดจิตที่มีธรรมะมาสอนจิตที่โง่ก็เป็นจิตของตัวเองอ่ะสอนจิตของตัวเองอ ะ, อององอะไปไปมามานะมันดึงเหมือนกับตัวเราเหมือนคนสองคนนะนนหนึ่งก็กินเลสก็ทํางานฝ่ายต่ําำน้ะ็ทํางานทีนี้ธรรมะมันก็สอนเย เพราะหันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่ามันของท่านมันไม่เรียกว่าเป็นกิเลสมันเป็นสังขารมันเป็นกิยาการของจิตไปมันก็ว่ากันเป็นธรรมไปแหละเป็นธรรมชาติของมันมันก็ตามสอนกันตามอบรมตามว่ากันคุยกันน่ะแต่มันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวท่านมันเป็นสภาวะอันหนึ่งถ้าว่ามีเหตุ ปัจจัยทําให้ต้องคิดทําให้ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ต้องทําแล้วก็การคิดการพิจรารณาก็เพื่อให้มันเป็นธรรมให้มันสอดคล้องกับธรรมถ้ามันไม่เป็นธรรมมันไม่เอามันก็พยายามอันนี้อันนี้อันนี้ห น, นึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นธรรมก็เอาเลือก บางทีก็เป็นธรรมมากธรรมน้อยก็เอาอไอ้สิ่งที่เป็นธรรมมากที่สุดตอนสมัยฝึกดุทีวัดดอยก็อาศัยเนี่ยเรายกธรรมขึ้นมาเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันอยู่ที่ความพ้นทุกจะพ้นทุกขได้เนี่ยก็คือเข้าหาธรรมเพราะนั้นภายนอกนิปตัดสินใจว่าต้องเป็นธรรมทั้งหมด ผิดทำเนี่ยยอมแก้ไขทันทีเลยเพราะฉะนนถ้าอาจารย์ก็เข้มงวดกรดขันด้วยก็เลยถูกกับไอความตั้งใจของเรามันตรงกับความตั้งใจบางทีเราก็พวาอมว่าทำดีที่สุดแล้วอะ่ะก็ยังโดนบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ไม่เสียใจไม่โกรธเคืองมันเหมือนมันพอใจว่าเราเนี่ยได้ขัดเกลาตัวเองได้แก้ไขตัวเองได้พัฒนาจิตของเรา บางทีโดนหนักๆมันบอกกับตัวเองเลยว่าเราจะตายที่นี่อย่างนี้เลยนะพูดอยู่เรื่อยตายที่นี่ไม่ไปไหนอย่างนี้ก็ไม่อยากไปไหนจริงนะนอกจากเข้าป่าไปศึกษาแล้วก็กลับมาจะไปก็ไปเพื่อศึกษาแล้วก็กลับมาจนทั้งพรรษาที่สิบสองรู้สึกว่าเออตอนนั้นจิตไม่ไปไม่มาละมันเหมือนกับอยู่กับท่านมันคงที่เลยนะ งที่เป็นปีเลยเออก็เลยไปสแสวงหาสถานที่ใหม่ไปตรงนั้นบ้างไปตรงนี้บ้างสนทนากับองค์นั้นองค์นี้ครูบาอาจารย์แล้วก็เลยได้ไปจำพรรษากับอาจารย์บันชัยพรรษาหนึ่งออกพัญษาแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่ทีนี้พอมีญาติพี่น้องไปเยี่ยม ก็บอกว่าท่านอาจารย์แบนก็ถามถึงและก็โยมอุปถากท่านก็ถามถึงสี่ครั้งอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วอ่ะเนี่ยการที่ถามถึงบ่อยๆเนี่ยก็ลักษณะว่าเหมือนกับสนใจละเหมือนกับเราต้องพิจารณาละก็เลยกลับไปกลับไปก็ไปอยู่อีพรรษาหนึ่งว่าจะให้มันพ้นมันก็ไม่พ้นข่าวนี้ออกแน่คิดจะออกเลยนะ บอกใครต่อใครแล้วจอกไปหาที่ปฏิบัติแล้วเดินหน้าอย่างเดียวไม่คิดจะกลับพอคิดจะไปจริงท่านก็ไม่ให้ไปไกลอ่ะก็มาอยู่ตรงเนี้ยมาวันที่ยี่สิบสามมีนาสองห้าสี่สามแล้วเลยอยู่เรื่อยมาก็พี่นาอยู่ก็ บอกว่าเออถ้าหาว่ามาที่นี่แล้วเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าเราถึงจะอยู่ถ้าไม่เจริญก้าวหน้าเราไปไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยนะตอนเนี้ยเป้าหมายคือธรรมอย่างเดียวเลยเด็กขาดเลยนะตอนนั้นมันไม่เอาใครเลยตอนนี้นคือมันมันเหมือนกับว่าเป้าหมายของเรามันเป็นธรรมแล้วมันถูกต้องแล้วมันตรงกับถ้าประสงค์ของพระพุทธเจ้าแน่ๆแล้ว มันก็เลยวางทุกอย่างไปหมดมาที่นี่ก็เลยเล่งความเพียรคือพยายามที่จะนอนน้อยๆพักผ่อนน้อยๆอยากให้สติมันตื่นโอ้โหแต่ว่าไอ้มานเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเลยนะพอจิตของเราเนี่ยมันปล่อยมันวางอะไรได้บล็อกร่างกายเต็มที่บีบที่นาไปเนี่ยกําลังจิตมันไในเอาอะไรแล้วพะมันมันมันดิ่นลนมันอยากจะหลุดพ้น มันวางหมดแล้วแต่พอเข้าไปเข้าไปเนี่ยพอมันดันอะไรต่ออะไรระบบประสาทบางสมองบางตึงขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละหายหมดปัญญาก็ต้องกลับมาอย่างเก่าอีกแต่ก็อดทนต้นเดือนที่กาคมออกพรรษาแล้วประมาณรู้สึกจำจำไม่พี่วันที่เจ็ดพฤศิกายนตอนเย็น วันนั้นทั้งวันเดินจงกรมไปอบริรมจิตตลอดนะจิตก็อุเบกขาตลอดเลยนะมันก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเวลาไอสิ่งที่มันแปลกปลอมมันเข้ามาเนี่ยมันเอาเรื่องยุ่งยุ่งเข้ามาเนี่ยและไอตรงเนี้ยมันหายไปไหนไอตัวไม่ยินดีไม่ร้ายตัวอุเบกขาเนี่ยตัวที่มันไม่ลุงลังไม่วุ่นวายตัวที่มัน ที่มันเป็นกลางเนี่ยมันหายไปไหนเพราะว่าเวลาเวลามันมีอะไรบีบเข้ามาเนี่ยมันเหมือนมีอะไรขึ้นมาลุงลังขึ้นมาด้วยนะวุ่นๆขึ้นมาในความรู้สึกอะเอาละเราจะอัดความรู้สึกตรงนี้ไว้เรารู้สึกว่าตรงนี้แหละที่เรามีปัญหาถ้ามันเข้ามาเมื่ อ, อไหร่เราจะเปิดตรงนี้สอนจิตเราให้รู้หน้าที่ว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องอื่นต้องเข้ามาหาจิต ที่ไม่วุ่นวายเท่านั้นจิต ท, ที่ไม่มีอะไรลุงหลังจิต ท, ที่ไม่ยินดีไม่ยินไล่อันเดียวกันในความรู้สึกตอนนั้นอธิบายเสร็จเรียบร้อยเดินดูแล้วก็พูดหลายหนนะกะว่าเปิดทีเดียวให้มันอันเก่าซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำกะให้จิตนี้มันรับฟังข้อเท็จจริงและให้มันวางให้ได้เดิน จนเย็นเนี่ยเออจะเข้าไปส่งน้ําเข้าไปส่งน้ําก็ก็มีมีหมาตัวหนึ่งมันมันติดเรานอะมันมามันมาอาศัยอยู่ด้วยมันก็ไม่ไปไหนนะมันก็ชอบนอนมันก็ชอบมาใกล้เราด้วยเวลานอนกลางคืนมันก็เผลอเผอมันก็เข้าไปนอนในในใกล้ๆเราแคในแค่ใกล้ใกล้ใต้แค่อะไรเงี้ยมันกลิ่นมันก็แรงอ่ะ ก็เลยเอามันเข้าไปอาบนะ้ำทีมันมันไม่ยอมอะ่ะมันก็มันก็ทำท่า อ, อยากอยากจะออกแต่ถ้าที้งเขาสงบนะตัวนี้มันไม่รุนแรงทำอะไรก็ไม่รุนแรงเราก็เลยว่าเออดีแล้วเราจะลองนั่งสมาธิในขณะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่แหละเราจะดูซิว่าจิตมันจะเป็นยังไงก็นั่งสมาธิลงไป จิตเรานี่มันก็วางวางคื อ, ค, อคือมันย้ำกับตัวเองแล้วว่ามันต้องมาดูจิตที่ไม่หยีบีมีอะไรมันยกเข้ามาหาจิตจ่อเข้าไปหาจิตอย่างเดียวทีนี้ตัวที่เคยเคยกั้นเน่ยเคยบีบร่างกายเคยกั้นมันไปสนใจไอ้ไอ้ไอ้ไอ้หมาตัวนั้นที่มันกําลังร้องร้องงิ้งยิงแล้วมันก็ไปเกาไปเกา ไ อ, ไอ่เหมือนกับว่าข้างในตัวนั้นมันไปสงสัยว่ามันคืออะไรว่าเราเนี่ยอาอุบายอะไรหรือเปล่าเอโอโหมันเหมือนมันเหมือนกับการต่อสู้กันเลยนะเหมือนกับมีชีวิตชีวาเหมือนกับเป็นการต่อสู้ชนิดหนึ่งไปอย่างนั้นแหะแต่จิตเนี่ยมันมั น, ม, นมันรู้นาทีแล้วพอเราอบรมมันทั้งวัน่ะเทปก็ถือเข้าไปด้วยแต่ไม่ได้เปิดมันพลิกเข้ามาหาจิตเนี่ย มันไม่ไปติดไม่ไปยึดไออาการที่ที่ไอมือที่สามมันจะสร้างขึ้นมามันก็ยังไม่ทันได้สร้างด้วยเพราะมันสร้างไม่ทันเนี่ยเราพลิกเข้ามาแล้วมันทำอะไรไม่ได้จิตของเรามันก็เลยเหมือนกับว่ามันผ่านจุดจุดหนึ่งแล้วไปทะลุไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็ดับหมดเลยนะไอพวกที่เคยรบกวนอะไรไม่มีเหลือเลยอะก็อยู่ในอยู่กับตรงนั้น ส่วนหนึ่งมันก็มีอะไรบอกเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวจิตที่ระวังมันก็ระวังตัวเหมือนกันนะมันทำท่าจะสงสัยนะทำนีปิดหมดเลยนะความสงสัยไม่สามารถจะผุดขึ้นมาได้ขนาดจิตหนึ่งทำท่ า, ทาตัวที่เคยระวังตัวมันกลัวผิดพลาดกลัวว่ามันจะไม่ใช่ของจริงเนะี่ยมันทำท่ามีอาการแต่ว่าทำนี้ปิดไว้หมดเลยอยู่อย่างนั้นสบาย รู้เลยว่าไม่มีอะไรเข้าไปถึงจิตได้แต่ ก, กำลังของสมาธิมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปมันก็เริ่มคลายออกพอคลายออกไอ้ตัวนั้นตุ๊บเข้ามาเลยเห็นเลยเข้ามาแล้วอ๋อจิตก็บอกทันทีเลยยังทําร่างกายได้แต่ว่าเข้าไม่ถึงจิตอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมไอ้ตรงนี้ธรรมชาติอันนี้ยังมีผลต่อร่างกาย แต่จะไม่มีผลต่อจิตก็รู้รู้เพราะฉะนั้นเวลามันมันมันมีโอกาสเข้ามาทางกายบ้างมีอยู่แต่ว่าเข้าได้น้อยแล้วเพราะจิตเนี่ยมันวางพลังของมันสัญญาณของมันที่มันส่งเข้ามามันเหลือน้อยมันก็จะมีแอบแอบบ้างตอนฝันตอนหลับเนี่ยมันก็มีความพยายามอยู่เพราะะนั้นพอตื่นขึ้นมาพอเรา เราขัดจัดออกไปแล้วเข้าไปหาจิตของเราอะไรนึงก็ลดลงลดลงลดลงนะตอนหนังรู้ไปหมดมันมาก็รู้เฉยๆทำเฉยๆไม่ทำตามมันพอเลยก็เลยไปทันกันว่ามันก็อาศัยจิตของเราเนี่ยที่มันไหลไปกับกิเลสที่ไปกับอุปาทานไหลไปกับตัญหาเป็นช่องทางให้พวกนี้แฝง สวมลอยเข้ามาได้ั้งหมดกิเลสเมื่อไหล ร, รู้มันมาแบบไหนก็รู้เพราะมันทำมันสร้างขึ้นมามันจะสร้างเป็นเวทนาทางกายเพราะมันจะมากดระบบประสาทสมองมีเวทนาขึ้นมาแล้วมันก็จะใส่ข้อมูลเข้ามาด้วยถ้าจิตเนี่ยยังมีอุปท า, านอยู่ก็จ็บไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา ถ้าว่าเรามุ่งไปที่ทำเรามุ่งไปที่ทำไอไอความบกพร่องของเรามันจะน้อยไอความผิดพลาดของเรามันจะน้อยไอการตําหนิตัวเองก็น้อยลงไปด้วยไอไอโอกาสที่เราจะเผลอไปยึดอุปทานที่ไอข้างนอกมันสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ลดลงไปด้วยมันก็เป็นช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยไปได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันจึงบังคับให้เราต้อง ตรงไปหาธรรมอย่างเดียวถ้าใครเนี่ยไม่ซื่อตรงต่อตัวเองไม่ซื่อสัตย์ต่อธรรมคนนั้นจะมีปัญหาบ่อยๆเพราะว่ามือที่สามเนี่ยมันคอยจ้องอยู่คอยหาโอกาสอยู่เพราะนั้นเราจึงพยายามที่จะยกธรรมขึ้นมาแล้วทุกคนจะต้องมุ่งไปหาธรรมถ้าใครผิดพลาดจากธรรมมันจะสวมลอยทันที แล้วจะหนักทั้งกายหนักทั้งจิตเล่นงานทั้งร่างกายทั้งจิตใจแต่ถ้าหาเรามุ่งข้อหาทมธรรมะเนี่ยมันทาให้จิตเราเนี่ยรู้ความจริงแล้วคลายออกคลายออกไอ้พวกมือที่สามไอ้พวกมารมันจะกลัวความจริงมากถ้าหากว่ามันใส่ข้อมูลเข้ามาปับ๊บเรารู้ความจริงปับ๊บจิตเรานึกถึงความจริงพูดความจริงออกมามันจะอ่อนกำลังทันทีเลย พะยันเราก็ต้องอยู่กับความจริงอยู่กับความถูกต้องอยู่กับธรรมะเท่านั้นหลอกลวงตัวเองไม่ได้เพราะว่าไอตัวนั้นน่ะมันมีสัญญาณอยู่ในตัวเรามันรู้ด้วยว่าเรานี่โกโหกตัวเองมันยินชอบใครโกโหกตัวเองหลอกลวงตัวเองป้องกันตัวเองไม่ยอมรับความจริง ที่ตัวเองบกพร่องก็ตามไอ้ตัวนี้มันชอบเพราะมันถือว่าไม่มีสัจจะไม่มีความซื่อตรงเพราะตัวมันเองอ่ะมันไม่มีไม่มีสัจจะมันมีสัจจะอยู่อย่างเดียวว่าตัวมันเองอ่ะมันเป็นมารมันไม่ศีลไม่มีธรรมมันไม่ได้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมมันขัดขวางหรือว่าใครประกาศตัวว่าเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นสมณะแต่ว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เป็นสมณะนี่แหละจะเป็นเหยื่อของพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมุ่งไปที่ธรรมในการดําเนินชีวิตก็ตามต้องยกธรรมขึ้นมาคือในชีวประจําวันมันก็จะมีความถูกต้องระดับหนึ่งถึงไม่ใช่สัจธรรมก็ตามเป็นความถูกต้องโดยสมมุติเป็นที่ยอมรับกัน ว่าการทำสิ่งถูกต้องในภายนอกมันทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นมาทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีความสงบสุขหรือเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจภายนอกถูกต้องตามธรรมตามสมมุติตามความเหมาะสมเหมาะควรส่วนภายในต้องมุ่งเข้าไปรู้ความจริง เพราะนั้นบางทีพระพุทธเจ้าสอนพระเรื่องศีลเนี่บางทีท่านท่านพูดอีกแบบหนึ่งนะไม่ได้พูดถึงว่าเออสิกขาบทสํารวมพระปาติโมกแบบนั้นอย่างในกรณียเมตตาสูตรเนี่ยท่านสอนพระเรื่องศีลท่านไปบอกว่าเออต้องเป็นผู้กล้าหาญทําผิดก็ต้องกล้าหาญที่จะรับความผิดสัพโกจะและก็อูชูจะต้องเป็นคนตรงซื่อตรง และก็สูงชูจะตรงต่อความดีตรงด้วยดีสุวโจด์จะิศัก์เป็นผู้ที่รับฟังความคิดคำแนะนำของคนอื่นความคิดความเห็นของคนอื่นนี่นี่นเป็นคุณสมบัติของพวกศีลดังนั้นนะฝ่ายดีฝ่ายกุศลสุวโจด์จะสัมมูดูเป็นคนอ่อนโยนต้องมีใจิตใจอ่อนโยน อนาติมานีไม่ดูหมิ่นคนอื่นนี่คือต้องปรับจิตเราด้วยนะมันต้องเอาคุณสมบัตฝิฝ่ายดีเนี่ยมาฝึกฝนให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราพยายามที่จะรู้เท่าทันไอภาวะทางจิตใจที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ทำตามมันคือพยายามให้มันหลุดน้อยที่สุดอะ่ะถ้าว่ามันมั น, ม, นมันเราเราสู้มันไม่ได้จริงๆก็ เราะการศึกษาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยกว้างขวางขึ้นมีมุมมองที่จะพัฒนาจิตเราเนี่ยได้มากขึ้นมีแยกขายสันตุสโกจะต้องเป็นคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนั้นถ้ามีกําลังพอจะหาได้ก็หาอยู่แต่ว่าในขณะนั้นมันมีอยู่เท่าใดก็พอใจไม่ใด้ยิ้นรนจนใจลุ่มร้อนไม่ใช่อย่างนั้น แสวงหาได้แต่หาด้วยความสงบสันตุสโคจะสุภโรจะเลี้ยงง่ายมีเข้าใจว่าเออเราเนี่ยต้องการแค่ให้มันมีชีวิตอยู่ได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ใช่ดิ้นหลนที่ไปหาอะไรที่มันอริสอร่อยเกินความจำเป็นสันตุสโคจะสุพโรจะอปปกิจโจอจะมีจิตน้อย ไม่ต้องไปสังเวยหาอนนุอันนี้มาทำเกินความจําเป็นมีการมีงานก็ทําไปแต่ว่าถ้าหาว่ามันหมดการหมดงานก็ไม่ต้องไปหาเรื่องหาราวอะไรมาทําหันมาประพฤติธปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสันตุสโกจัสุภโรจัปปกิจโจจะสัลูกาวุติสัลุกวุตติหมายความไม่ให้ติดข้องกับ คนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปยึดไปติดกับส ก, กุลกับคนที่ไปมาหาสู่คือทําจิตให้เป็นอิสระสมควรเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องหันมาปฏิบัติไม่ใช่เกี่ยวข้องแล้วก็ตามไปคุยชวนคุยหรือบางแห่งนิดอยากใช้คำว่าประจบ ป, ประแจงก็มีอันนี้เกี่ยวข้องตามสมควร มันก็มีความเหมาะสมอยู่เมื่อต้องเกี่ยวข้องกันบ้างคนเราแต่มันเกี่ยวข้องเพื่อทำเนี่ยเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจเนี่ยมันสบายๆ ส, ยสันตินทริโยมีอินทรีย์สงบกายใจสงบไม่ว่ามีอะไรผ่านเข้ามาก็รักษาใจสงบทางกายทางวาจาให้มันสงบคำพูดคำจาพูดให้มันน้อยพูดเท่าที่จาเป็น ไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูดพูดแล้วก็เป็นเรื่องไร้สาระเงากายเป็นพูดเพ้อเจ้อไปหรือว่าพูดให้คนเป็นทุกข์คนไม่สบายใจทำให้มีปัญหาเนี่ยหรือพูดโกหกพูดจ่าเสียดสีพูดหยาบคายเพ้อเจ้อให้มันเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นแหละเนี่ยมันก็เข้าเป็นมิจฉาวาจาทั้งหมด มันท่านถึงว่าสันติเทวอินทร์สงบกายวาจาใจสงบนิปโกจะมีปัญญาอบรมตนเองแก้ไขจิตตนเองได้พอบางทีมันก็มีอผัดษาอารมณ์มันก็วูบเข้ามาเนี่ยรักษาจิตตัวเองได้แก้ไขจิตตัวเองได้โพมันรวดเร็วมากเลยนะ เวลามันไม่ได้ใจแม่ตึ๊ บ, ต, บ, ต, บตึ๊บเลยเนอะท่าว่าไม่ทันมันออกไปเลยอะ่ะปากมันคิดอยากพูนก็พูดอย่างระบายออกเลยอะบางทีมันก็มันก็ว่าอยากสอนแต่ภายในการสอนนั้นมันมีอารมณ์เข้าไปร่วมมันไม่ได้สอนด้วยจิตที่เป็นอิสระไม่ได้สอนด้วยจิตที่เป็นกลางมันก็เลยมีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้อง พอมีตัวตนเกี่ยวข้องมันมีกระแสะความร้อนด้วยผู้รับก็ไม่อยากรับอ่ะถ้าหาวจิตที่มันไม่มีอะไรอ่ะพูดไปเนี่ยมันก็ไม่มีกระแสะอะไรกระแสะก็กระแสะที่มันมันไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็แล้วไปไ ม, ไม่ติดไม่ค้างอยู่ในใจนันจินทะยิจานิปโกจะอภัภคพโพไม่ขนอง คือคนเราบางทีมันสนิทกันเนี่ยบางทีมันก็ขนองใจมันขนองมันก็ทำไปตามความขนองความซ้ำรวมก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเราส้ารวมะระวังอยู่ตลอดเกี่ยวข้องแล้วก็สํารวมระวงังอย่างนี้เราไม่ขนองออรู้สึกรู้สึกจะมีสัลกุตีเอเราแปลว่าเออไม่ติดไม่ข้องอันนั้นไม่ใช่สัลกุติ หมายถึงว่าทำใจให้เบาสั้นละหุกะวุติละหุละหุแปลว่าเบาความประพฤติให้เป็นไปเพื่อความเบากายเบาใจไม่ไปสร้างเรื่องหนักอกหนักใจให้แก่ตัวเองเมื่อกี้นี้สัน้นโลบุตีแปลผิดไปที่จริงตัวกุเลสุอนันุคิโทเนี่ยที่แปลว่า ไห้ไปยึดสกุลไปยึดคนนั้นคนนี้ไปติดไปข้องอันนั้นอันนี้ท่านเรียกว่ากุเลสุอนนุขิโตนี่ทั้งหมดนี่รวมเป็นศีลเลยเป็นแง่หนึ่งของศีลเป็นคุณสมบัติของจิตที่มีศีลความมีสตินั่นแหละรักษาจีตเป็นกลางเอาถ้าจะปรับเข้าไปไม่ยินดีไม่ยินร้าย ถ้ายินดีดินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นตัวสมาธิไปเป็นความตั้งมั่นไปนะั่ที่จริงมันก็ใกล้เคียงกันมันก็เป็นอันเดียวกันอยู่แต่ว่าอันนี้คล้ายๆกับแยกอธิบายว่าศีล ส, สมาธิปัญญาจะพูดในแง่คุณสมบัติของจิตมันก็มีคุณสมบัติที่มีมีชื่อของมันได้ ทีเรามีตัวไหนที่มันชอบโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องมีสติยับยั้งมันต้องฝืนมันปล่อยมันไม่ได้ปล่อยแล้วเคยชินเลยนะกิเลสมันมาจากความเคยชินนะเราทำบ่อยๆพูดบ่อยๆคิดบ่อยๆนั่นแหละมันเข้าไปอยู่ในจิตเราทำบ่อยๆก็กลายเป็นกิเลสไปเพราะฉนั้นท่านึงว่า เพียงแผเ่เผากิเลสให้เราร้อนอย่าไปทําตามมันแล้วพระเจ้าก็สอนไปต่อไปอีกนะนะจะขุดดังสมาเจรกินจิสิ่งไม่ดีเล็กเล็กน้อยน้อยที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนไม่ให้ทําอย่าไปทำเนี่ยนะจะขุดดังสมาเจรกินจิเยนะวินยูเปรเรอุปะวะเดยุ วินยูชนเนี่ยอันนี้คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเล็กเล็กน้อยๆเป็นความผิดความบกพร่องสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายถึงจะเล็กเล็กน้อยๆ้อยก็ตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามอย่าไปทำสรุปแล้วประมวลเข้ามาคือศีลให้มีศีลอยู่ในใจแล้วพระเจ้าก็สอนพระเพราะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่พระไปปฏิบัติ แล้วก็มีเทวดารบกวนเพราะเทวดาเขาเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้มีศีลในใจแล้วก็ให้แผ่เมตตาเนี่ยบทนี้เป็นเรื่องกรณียเมตตาสูตรสูตรเกี่ยวกับกรณียกิจของผู้ที่ฉลาดต้องรู้จุดหมายปลายทางของชีวิตว่าคืออะไร จุดหมายปลายทางของผู้ฉลาดก็คือต้องให้ถึงพันิพานเนี่ยเพราะนั้นเริ่มต้นพูเะเจ้าก็บอกกรณียมัตถะกุสเลนะยัมตังสันตังบดังอภิสเมจจิตของผู้ฉลาดที่ควรทำก็คือการทำจิตของตัวเองให้ถึงความไม่มีทุกข์ สั้นตังนหมายถึงความสงบบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีทุกข์ประดังนะหมายถึงเป็นภาวะที่จิตมันไม่มีทุกข์เพราะนั้นจิตของผู้ที่ฉลาดมีปัญญาที่จะต้องทำก็คือต้องปฏิบัติเพียรเพื่อทำจิตของตัวเองให้ไม่มีทุกข์แล้วท่านก็สอนว่าสักโกจะกุชูจะ สัวโจจัดสามูดูอานติมานีก็คือสอนเรื่องคุณสมบัติของจิตที่ดีละคุณสมบัติของจิตที่ไม่ดีออกไปสโกจะเป็นผู้ที่กล้าหาญกล้าที่จะยอมรับความจริงแล้วแก้ไขเวลามันผิดพลาดไม่ปกปิดไม่ซ่อนเล่นไม่หมกเม็ดเอาไว้ในใจตัวเองเพราะเดียวมันกำเริ่ เดี๋ยวมันเล่นงานตัวเองไม่หยุดหย่อนแล้วก็จะทุกข์ทรมานการปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าเดี๋ยวก็ระแวงคนนั้นจะคิดอย่างนั้นคนนี้จะพูดอย่างนี้สู้เราเปิดเผยออกมาจบไปเลยไม่ต้องไปกลัวเนี่ยหรือถึงเราไม่กล้าพูดกับคนอื่นก็ตัดสินใจกับตัวเองเลย เด็ดขาดเลยเนี่ยให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมถ้ามันบวกพร่องมันผิดพลาดพยายามที่จะไม่ทําพยายามจะแก้ไขมันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีได้เนี่ยสกโกไหมว่าฉลาดแบบเนี้ยกล้าหารกล้าที่จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าที่จะทําสิ่งที่ดีที่ถูกต้องกล้าที่จะแก้ไขความผิดพลาดบวกพร่องของตัวเอง สกจจอุชูจะตรงเป็นคนซื่อตรงตรงมันตรงอยู่ในจิตบางทีมันบิดพิ้วนะบางทีมันทะเลทะไหลโอสารพัดในจิตคนเนี่ยลวดลายมันมากจริงๆนะมันไม่ใช่เรานะอาการของพวกนี้นะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความหลงเป็นเรื่องของตัวตนทั้งนั้นเลยถ้าใครยังอะไรอววร์ น, นะยังสงวนมันอยู่โอ้โหยมันไม่ก้าวหน้าหรอก จมกับมันอยู่ยังไม่สามารถอยู่เหนือมันได้ภาวนาก็ก่มแก้มไปเพราะมันไม่สามารถมาละไอสิ่งที่ไม่ดีในจิตของเราได้สิ้นภาวะที่จิตปกติมันก็ยังไม่มีเนี่ยมันต้องสักโกเจาชูจักสูชูจักเนี่ยตรงด้วยดีสัวโจจัดสัก รับฟังคำแนะนำตักเตือนหรือว่าความเห็นของคนอื่นได้มูดูอ่อนโยนอาติมานีไม่ดูหมิ่นคนอื่นสันตุสโกจะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนั้นสุภโลจะเลี้ยงง่ายอปปิจโจจะไม่แสวงหาการงาน มาทําให้มันวุ่นวายทาเท่าที่จําเป็นมีกิจกรรมอะไรควรทําหมูลคณะทําเราสมควรทําเราทํามันก็จะทําให้ให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไม่แตกแยกมันไม่มีการเอาลัดเอเปรียบกันแสดงความมีน้ําใจต่อกันมันอยู่กันแล้วมันมีความอบอุ่นมีความสุขมีความสงบ สันทุสกจะสุภโรจักั ป, ปะจิตโจจะสัลลหูกาุติความประพฤติหรือการกระทำเป็นไปเพื่อความเบากายเบาใจก็คือไม่เอาเรื่องอะไรเข้ามาลุงลังอยู่ในจิตพยายามให้จิตเป็นกลางจิตเป็นปกติสันตินทริโยจักนิปะโกจะ อินทรีย์สงบคือกายใจสงบเวลากระทบอารมณ์ทางตาก็ดูใจใจก็สงบทางหูเข้ามาหาใจสงบเกี่ยวข้องกับอะไรใจสงบทำกิจกรรมอะไรใจสงบอินทรีย์สงบชนตินทริโยยิปโกมีปัญญาแก้ไขจิตตัวเองบริหารจิตได้จิตมันขี้เกียจ ก็สามารถแก้ไขได้ปรับจิตได้บางทีก็ต้องแก้ไขพฤติกรรมด้วยมันขี้เกียจคือคือมันไม่อยากทำต้องฝืนทาฝืนทาแล้วไอ้ความขี้เกียจในจิตก็หายไปด้วยพราะมันสู้กับไอ้ไอ้ความฝืนเราไม่ได้ถ้ามันขี้เกียจเราไปขี้เกียจตามมันอ้อยอิงโอ้โหแล้วเนี่ยเสร็จมันเลยนะเนี่ยนี่มือที่สามสวมรอยได้ง่ายมาก ถ้ามันขยันอยู่แล้วก็หาความพอดีว่าขยันนี่มันมีความพอดีไหมในขยนันแต่เกินความพอดีก็ไม่ใช่จะมีความพอดีอยู่ด้วยรัะคับโพไม่ขนองกุเลสุอ น, นุคิโทไม่ยึดไม่ติดในอารมณ์ใดๆในสกุลในคนนั้นคนนี้ คือท่านสอนพระอันนี้แต่ว่าเราก็ฟังเอามาปรับใช้กับเราได้พร้อมเป็นเรื่องสภาวะภายในจิตใจฉะนั้นก็สอนรายละเอียดว่าเออความไม่ดีทั้งหมดนะ่ะถ้าพระผู้เจ้าสอนแล้วไม่ให้ทำก็อย่าไปทำนจะจากกุดดังสมาจเรกินจีเยนะวินยูปรเรวะเดยจฉะนั้นเราสอนให้แผ่เมตตา ชุกิโนะเคมินิุนตุสบเบสตาพนตุสุกิตตาก็คือให้แผ่เมตตาไปนี่ประมาณเพราะฉะนั้นคนเยี่ยแผ่เมตตาได้ต้องจิตต้องมีสีจิตต้องอยู่ในภาวะเป็นปกติแผ่เมตตาไปจิตนี้มันก็จะลึกซึ้งเข้าไปแล้วมีความสงบลึกซึ้งเข้าไปจนถึงขั้นฌานมีองค์ฌานรองรับ เมตตาจึงจะเป็นอัปปมัญญาเมตตาเป็นเมตตาที่ไม่มีประมาณถ้าว่าเราเมตตาแบบที่เราสวดๆเยอะสัปีสัตาสดาหุนตุอะเวลาสุขจีวิโนอใจมันไม่ได้เป็นฌานเป็นอะไรอ่ะเมตตามันก็ไม่ออกมันเป็นแค่คําพูดแต่อย่างน้อยก็น้อมจิตว่เาเออเรากําลังแผ่เมตตาทําจิตให้สงบแล้วก็ก็เป็นอุบายทําให้จิตสงบได้ แต่ถ้าเมตตาจริงๆเนี่ยต้องมีศีลรองรับแล้วก็มีสมาธิละเอียดเข้าไปจนถึงมีฌานรองรับนี่ก็คือขั้นสมาธิจากนั้นพระเจ้าก็สอนให้มีสติทำจิตเนี่ยให้ตั้งมั่นให้ตื่นขึ้นมานี่นี่เข้าปัญญาแล้วทีนี้คือแตลเมตตาท่านก็สอนรายละเอียดแต่ว่าเออ ทำความรู้สึกเหมือนกับว่าแม่มีลูกคนเดียวเนี่ยรักลูกทำกับลูกคนเดียวยังไงก็ให้ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นกับคนอื่นเนี่ยก็คือว่าสอนให้มีเมตตาให้แพรไปไม่มีประมาณไปในคำแปรในความหมายเรื่องเมตตาก็คือแปรไปไม่มีประมาณอยู่ใกล้อยู่ไกลหยาบละเอียดเล็กหรือใหญ่ปานกลางตัวกลมตัวยาว ป่อมป่อมมีหมดอยู่ในนั้นอ่ะอธิบายหมายว่าสรุปแล้วก็คือทุกชีวิตวิญญาณเลยไม่มีประมาณแล้วกใ็ให้ให้แผ่ชนิดที่ว่าเหมือนกับแม่มีลูกคนเดียวะแม่เนี่ยทุ่มเทเพื่อลูกยังไงก็ให้เราเนี่ยมีความเมตตาอย่างนั้นเนมตตันจะสพโลกัสมิมานะสัมภาะเยอปริมาณเนี่ย ก็คือทําจิตที่มีเมตตาอย่างเนี้ยไม่มีประมาณให้แผ่ออกไปบางทีเขาเอาไปเป็นคาถานะเวลาเขาจะทําเสน่ห์เนี่ยในเมตตันจะสัมโลกัสมิ่งมานะสัมภาวเยอาปริมานังเนี่ยมันเป็นคาถาได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลก็อีกเรื่องหนึ่งจิตท่านเจลังนิชินโนวาสยานโนวายาวัตสสวิกตามิโท ไม่ว่ายืนก็ตามยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็ให้มีสติอีตังสติณัติเตียเนี่ยให้มีสติสติงก็คือตัวสติถ้ามีสติกำกับอยู่ทั้งยืนเดินนั่งนอนท่านเรียกว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐพลัมมะเมตังวิหารังอิดามาหุ ดิท่านเจรังมีดิท่านเจรังนี่หมายว่าละความเห็นผิดละนี่ระดับปสุดาบันแล้วนั่นเนี่ยมีปัญญาแล้วเนี่ยพอจิตมันสงบมันมีสติกํากับมีความตั้งมั่นเห็นความจริงละความเห็นผิดได้ข้าวความหลงผิดว่ามันเป็นเราเป็นของเรายิชินจะอนุปกรร ม, มะสีลวาดิินจะอนุปกรร ม, มะสีลวาดัชนีนัสัมปันโน ละความเห็นผิดเมื่อกายกับใจนี้เป็นเราเป็นของเรากามสุวินยาเคทางในชาตุถูกขับเพื่เสียังปุณเรติติแล้วก็สามารถที่จะจบพรมจันท ร, ร์ได้บรรลุเป็นพราหานได้หรืออย่างน้อยก่อนละกามรารคาได้ไปเกิดยังพมชั้นสุทาวาสไม่กลับมาเกิดในคันอีกคือ คืออย่างน้อยก็ไปถึง อ, อนณาคามีพวกนี่งยิง่ในคำสอนของพระพุเจ้าแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษา<ม>ดูความละเอียดลายละเอียดในคำแปละอะไรเนี่ย ม, มันเป็นการสอนเพื่อการปฏิบัติแต่สมัยที่บวชใหม่ๆนะเราไปท่องเพราะว่าต้องกันเวลาเข้าป่ามันมีพระรุ่นแรกๆที่เข้าบวชก่อนเน่ พระฝรั่งไปเจอพระฝรั่งคนหนึ่งเบอกว่าเนี่ยท่านเวลาเข้าป่าเนี่ยท่านจะสวดกรณยียเมตตาสูตรท่านว่าอแล้วท่านก็สวดให้ฟังเราก็เลยท่องอจําได้ว่าเออเวลาเข้าป่าต้องสวดกรณยียเมตตาสูตรแล้วก็วิรูปขีแผ่เมตตาให้พวกพญา ง, งูทั้งหลายสัตว์เลี้ยคานทั้งหลายไม่ทําอันตราย ก็เลยท่องเป็นคาถาป้องกันตัวเองเอเ๊ะเด็กก็ได้ผลทางจิตใจนะเวลาเราการณียมาธากุสเลนายันตังสั้นตังเบดังอภิเสเมจะอบอุ่นขึ้นมาในจิตนะก็เลยจำแบบนี้มันมันมีความอบอุ่นมันมีความปลอดภัยมันมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะแล้วไปที่ไหนก็รู้สึกสบายสบายออจะมีบ้างก็มีไอ้มือที่สามนี่แหละ มันมันไม่ได้อยู่แถวนั้นมันมาของมันตามเรื่องของมันมันหนีไม่พ้นน่ะไปที่ไหนมันก็มาได้ผมนี้มันก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งแต่พอมาศึกษาหลายรายละเอียดแล้วโอ้นี่มันเป็นกรรมฐานแท้ๆเลยนะเนี่ยพูดตั้งแต่เรื่องสีเรื่องสมาธิแล้วก็ปัญญาแต่ทีนี้ถ้าใครไม่ไม่ใช้เมตตาภาวนาอย่างอย่างบทนี้ก็คือสติปัฏฐานสีนั่นเอง จะใช้กายคตาสติก็ได้จะใช้พินาเวทนาอะไรจิตธรรมอะไรนี่แหละมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่บทนี้เนื่องจากว่าพระเนี่ยถูกลบกวนด้วยเทวดาท่านก็เลยให้สวดเป็นพระประลิบด้วยคือป้องกันป้องกันอันตรายด้วยเวลาเข้าป่าก็เลยมีมีผลในทางที่จะไม่ทําให้ถูกเปียดเบียน ด้วยอานมนุษย์ด้วยอาศัยความมีเมตตาไม่ต้องใช้คาถาป้องกันผีมันจะใครมีคาถาป้องกันผีผีมันลองเลยนะฟังเทปหลวงพ่อพูดอาจารยบอกว่าพอเริ่มท่องคาถาผีมันท่องนาหน้าเลยว่งั้นผีมันเคยเคยเป็นจานเป็นอะไรมามันได้อะมันได้ข้องก ว, าวา่ากว่าพระอีกพอเริ่ม ท่องในใจนะท่องปับ๊บมันท่องนำหน้าเลยว่างั้นนะ่แซงเลยผีอ่ะคนนม้นไม่ธรรมดานะผีบางตัวแต่ถ้าอาศัยเมตตาเนี่ยเอออันนี้เขารับได้แต่เขาไม่รับก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วกน็หนีไปเสียบบมันทำอะไรเราไม่ได้้าให้ดูตัวเองสักนิดหนึ่งนะเราตั้งใจอุทิศบุญนะอุทิศบุญแล้วก็ไปปฏิบัติขึ้นเอง นามัสสพระโวาโธโคโนมแบ่พื่อผู้มีพระภพรเจ้าพระองค์นั้นอารหโตซึ่งเป็นผู้ไกลชจากกิเลสสัมาสัมพุทธา ราสรู้โชคดายระอ